พระธรรมเทศนาแผ่นที่53ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่23พฤษภาคม2556มีชื่อเรื่องว่าสะสมความดีไว้ก่อนตาย อ๋หมดแล้วทำหมดแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังก่อนนะทนีอยู่ในความสงบถึงเงียบอันดับแรกเลยหลวงพ่อจะประกาศพระสะก่อนอ่านตามตัวหนังสือนะวันนี้เป็นวันพระหัส บ, บดีที่ยี่สิบสามพฤษภาคมขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกไม่บอกพศ อ, อ, อีกต่างหากพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหก พระทั้งหมดสามสิบห้ารูปลงมาฉันเจ็ดรูปงดฉันยี่สิบปดรูปนาคสองคนใครว่ามีผิดที่ตรงไหนเนี่วะลงมาฉันเจ็ดรูกทำไมมันเยอะไปหมดนี่วะงดฉันยี่สิบแปดรูปนะงดงดฉันยี่สิบแปดรูปลงมาฉันเจ็ดรนะูปน ดูสิกูบาเนี่เซอร์ทแทวๆเยว่าหาเพ่นเขียนกลับกันนี่นี่าตามไม่จริงลงมาฉัน28รูปงดฉันเจ็รูปพนจว่าทนะ่านน่ะมาห้ารอบกีอกน่ะงดฉันย8่รูปลงมาฉั น, เ, น, น, เ, เ, นเจ็ดรูปเป็นพวกเข้าเห็นหอดเจ็รูปโบพระที่นางยัง่รอกูะะ oh. บาเนี่ย จะไปหาเชื่อลูกน้องอย่างเดียวก็ไม่ได้นะพวกถ้าใครเป็นเจ้านายนะเนี่ยจะไปอ่านตัวหนังสืออย่างนี้ไม่ได้นะเออมันต้องออกความจริงดูใชนี่มลูกน้องบอกว่าลูกน้องรายงานว่าเนี่ยพระลงมาฉันเจ็ดรูปงดฉันยี่สิบแปดรูปเลยถ้าเจ้านายไม่เห็นเนยเจ้านายหลับหูหลับตากเออใช่โอ้พระลงมาฉันเจ็ดองค์เลยงดฉันยี่สบปด ถ้าเจ้านายไม่ได้คิดถ้าเจ้านายคิดก็แต่งเอาไปดูซิว่ามันจริงหรือเปล่านี่ว่าเรื่อรายงานกลับกันนมะ่มันต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นผู้เป็นเจ้านายเนะี่ยมันต้องรอบคอบเลยเจ้านายเซบือสบ้าเจ้านายไม่รอบคอบมันไม่ได้เลยคนโบราณเขายังบอกว่ามีลูกน้องคนหนึ่งมาอยู่ใกล้เจ้านาย แต่ก็ลืมหน้าหลงหลังเพิ่เวิร์บหน้าพเวิร์บหลังอย่างที่ว่าเนี่ยว่ารายงานไปเรื่อยลักษณะอย่างนั้นแหละเดินมาอยู่ใกล้เจ้านายเจ้านายกับคนนั้นมาก็เอาไปไปเป็นหัวหน้างานจุดนั้นคนนี่มางานเอาไปควบคุมจุดนี้อบอกให้ไปทํางานเลยแต่ลูกน้องที่อยู่ใกล้ไม่สั่งสักทีที แต่ลูกน้องน่นก็อยากจะไปเหมือนกันจะไปเป็นหัวหน้าเข า, างั้นก็เลยเสนอเจ้านายครับท่านเจ้านายครับผมมาอยู่ที่นี่นานแล้วคนอื่นเขามาเพียงแพบเดียวเขาก็ได้ อ, อไปเจ้านายก็สั่งให้ได้ไปทํางานนู่นทํางานนี้ใหญ่ไปหมดแล้วครับแต่ผมนี่มาอยู่กับเจ้านายนานแล้วครับผมมีความผิดที่ตรงไหนครับทำไมผมจึงไม่ได้ไปทำหน้าที่ ตำแหน่งที่ดีขึ้นครับหทางเจ้านายเราดูอยู่นี่วะเราดูอยู่เราเนี่ยมันขาดความรอบครอบการทำงานที่จะเป็นผู้ใหญ่หมูนต้องรอบคอบนะครับผมคิดว่าผมรอบคอบพอครับนะเอาเท่ะนะไปลงไปดูหมาใจทุนดซิมันมีกี่ตัวหมานะ่ะมันมีเท่าไหร่ หมูหมาอยู่นี่อยู่ใต้ถุนเน่ยมันมีลูกกี่ตัวลงไปดูซิปรุบปรับวิ่งลงไปเลยวิ่งขึ้นมาบอกมีอยู่ห้าตัวครับตัวพู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัววิ่งลงไปอีกตัวพู้สองครับตัวเมียสามครับมันมีสีอะไรลงไปอีกมันมีอยู่ สีด่างสีแดงสีเหลืองอะไรกว่าดอย่างมันลายสีห้าสีใช่ไหมมันหางสั้นหรือหางยาวลงไปอีกเจ้านายก็เลยบอกว่านี่แหละที่เราไม่ให้เป็นหัวหน้าเขาเนะ่ยเพราะขาดความรอบคอบจะไปลุกลี้ลุกลนทําไมเราให้ไปดูดูให้ดีดูให้ทีท่วนเพราะเราจะสอบสอบข้อความเราต้องดู เออมันสีอะไรตัวไรสีอะไรเขาขึ้นมารายงานอันนี้วิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี่ยังเป็นหัวหน้าคนไม่ได้ยังขาดความรอบคอบเออเป็นลูกน้องต่อไปนี่แหละคนโบราณเขาสอนลูกน้องก็สอนอย่างนั้นได้ให้เขาทําอะไรให้รอบคอบจะรายงานเจ้านายต้องรอบครอบออไม่ใช่ว่าลุกลี่ลุกลนโต ด, ดหน้าวตามหลังไปเรื่อยตายแลยเจ้านายท่นนี้ ลูกน้องรายงานขึ้นมาหาความรอบคอบไม่ได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะให้พวกเราอยู่ในสถานะไหนต้องให้รอบคอบสรุปแล้วนะแล้วก็วันนี้เมื่อทานฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหก วันนี้เมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอุปชาหลวงพ่อชาลีก็คงจะลงมาจากผูกก้อนลงมาบวดนาคลองเราวันนี้แต่หลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดแต่คุณเบนจะมาดกับท่านสารวัตรว่าเป็นลูกหลานที่จะบวชในวันนี้แต่หลวงพ่อยังไม่ได้สืบสอบรายละเอียดว่าลูกเต้าเหล่ากอ มาจังไงที่ไหนนะแต่พี่น้องชาวอุดรของเรานี่แหละพอฉันจังหันเสร็จแล้วก็จะบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาหนึ่งองค์แต่องค์ที่เมื่อคราวที่แล้วก็ศึกไปสองชุดนะชุดแรกก็คือนักศึกษาแพทย์มหิดลเข้ามาแต่แต่วันที่ส6บมีนาคมห้าหแล้วก็อุปสมบทบวชวันที่ย4ี่ มีนาคมห้าหกแล้วก็อยู่ต่อมาแล้วก็ต่อมาอีกเจสถาบันจุลาธรรมศาสตร์รามคมแหงราชพัฒสมเด็จเจ้าพญาฮ อ, อการค่าไทยมหาวิทยาลายัยเสียงใหม่มหาวิทยาลายัยมหยาสารคามเจสถาบันบวชเข้ามาเป็นนาควันที่12เมษาบวชวันที่21เเมษา ห้ 5, 6, เหมือนกันแล้วก็ราศีขาวันที่สิบปดพฤษภาก็จบไปแต่วันนี้เป็นวันที่ที่ยี่สิบสามพฤษภาห้าหกเป็นวันบวชพระของเราอีกองหนึงอันนี้คือจัดว่าเป็นทายาทของเราต่อไปภายภาคนาอย่าญน้นกคปลูกฝังอุปนิสัยให้ได้บวชในพระพุทธศาสนาให้เรียนรู้ชีวิตของพระ ถ้าลูกหลานเข้ามาบวชแล้วก็ให้ศึกษาให้เรียนรู้ะละค้นตำรับตำราแล้วก็อยู่กับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านอยู่อย่างไรชีวิตของพระอันนี้ก็พวกเรากับลูกหลานทั้งหลายจะได้เรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็จะได้บอกกล่าว ปอกลุ่นน้องๆของพวกเราหลักของพุทธศาสนาสอนให้คนรอบครอบสอนให้คนรอบคอบอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเบื้องต้นนั่นพุทธศาสนาสอนให้คนมีสติมีปัญญาใช้ความรอบคอบนะลูกหลานนะแล้วก็เมื่อบวชก็คงไปใช้เวลาไม่นานไปเนี้เพราะบวชองค์เดียวแล้วก็วันนี้เป็นวันโกนเป็นวันป่งผมของพระ เป็นวันสําคัญยิ่งวันพุ่งนี้นะเป็นวันวิสาขาบูชาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, าติโยมให้เตรียมพร้อมเตรียมตัวนะและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพระวัดป่านาคําน้อยของเราคณะสัตย า, า, าติโยมทุกคนวันพุ่งนีเ้เมื่อฉันจะหันเสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะได้ พร้อมกันไปบรรจุพระพรมสารีริกธาตุบนเสียนพระประธานวัดป่าบ้านสวนที่พวกเราไปตั้งเป็นสำนักชีขึ้นมานั่นแหละพวกเราควรคงจะไปกันที่นั่นวันพุ่งนี้นะและก็ให้พวกกูบาทั้งหลายช่วยๆกันหรือชดทาญาติโยมพูดที่จะไปช่วยทำความสะอาดนะถนนหนทาง ดูแลพวกน้ำพวกอะไรน้ำดื่มน้าอะไรไปด้วยนะไปแล้วพวกเราก็หายน้ำกะได้มีน้ำดื่มกันแต่ก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากหรอกพอวันพอฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็คงจะเดินทางไปที่วัดบ้านสวนจากนั้นพระสงฆ์หลวงพ่อจะจัดพระสงฆ์ไปจากนั้นก็สวด บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเสียงพระประธานพระบรมสารีริกธาตุนี้ได้มาอย่างไรมีพวกโยมที่มาปิดพระที่เป็นลูกศิษย์เจ้าพระคุลสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยนะพอปิดพระทององค์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกิได้ปรากฏว่าจะขอพระบรมสารีริกธาตุจากเจ้าพระคุลสมเด็จพระสังฆราชพราท่านประทานให้กับ ลหลายๆวัดอันนี้ท่านเลยทำขอไปพราะท่านเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วโยมเป็นโยมวัดของลูกศิษย์ของเจ้าประคุณส้มเดจอยู่แล้วนะขอท่านขประทานมาให้เมื่อท่านประทานมาให้แล้วพวกเราก็น้อมรับทุกคนน่ถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับวัดป่าบ้านสวนจากนั้นพวกเราก็จะได้ พร้อมกันบรรจุพระประรมสารีริกรธาตุเป็นวันวิสาขบูชาวันพู่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันมงคลยิ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตัดสรุปปรินิพานคือวันเกิดของพระพุทธเจ้าและก็วันได้ตัดสรุ้ธรรมที่ได้ประกาศพระธรรมคำสอนคือได้ตัดสรุพระธรรมและก็พร้อมกันก็ได้เป็นวัน สวรรคตถ้าพูดแบบภาษานะ่ยแต่นี้ท่านปรินิพานไม่ใช่สวรรคตคือวันตายคุณไงที่ท่านประกาศกิเลสท่านกา่อตายธาตุขันท่านกา่นกอตายท่านเป็นผู้บริสุทธิ์จะว่าวันปรินิพานของพระพุทธเจ้าในสามการประสูตรตรัสรู้ป ร, รินิพานในวันเดียวกันคือวันพรุ่งนี้ถือว่า วันพุ่งนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของพุทธบริษัทบริษัทก็คืออะไรเห็บริษัทบริษัทจากัดบริษัทห้างร้านบริษัทนั้นบริษัทนี้ทั่วประเทศทั่วโลกอันนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าพุทธบริษัทคือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทพวกเราเป็นพุทธบริษัทเมื่อได้น้อมรับ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาแล้วพวกเราจะบรรจุที่ไหนใ ห, ให้เหมาะสมที่สุดเพื่อกราบไหว้สักการะบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรันวันพรุ่งนี้เราจะได้ไ ป, ไปบรรจุพร้อมกันก่อนที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเราจะได้สวดอิติปิโสพร้อมกันสามจบนะ ิติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูนะอันนี้ก็คือเราจะได้สวดพร้อมกันทั้งพระทั้งโยมเพราะว่าพวกเราเป็นพุทธบริษัทอย่างว่าอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสัมมาเนสนสวดพร้อมกันถ้าหากว่าธรรมดาเนี่ยก็สวดชยันโตนะ แต่ใ น, นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี่สวดอิทธิพิโสให้เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วก็วันพุ่งนี้หละเมื่อสวดเสร็จแล้ว ก, ก็คงไม่มีอะไรก็แยกย้ายกันกลับแล้วก็เย็นวันพุ่งนี้ก็จะได้ทำพิธีที่วัดของเราเวียนเทียนพระทักษิณรอบศาลาบทบนเสียนพระประธานของพวกเราเนี่ก็มีพระบรมสารีริกธาตุเหมือนกันบนเสียนพระประธานทั้งสองอ ง, องค์ เพราะนั้นเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับลวกเราลูกหลานทุกคนนะให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ว่าวันพุ่งนี้เป็นวันสำคัญยิ่งอย่างน้อยก็ให้มีศีลห้ามากกว่า น, นั้นก็ให้มีศีลอุโบโสถคือศีลแปดรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นบุญเป็นกุศลติดจิติดใจของพวกเราไปนานเท่านานทีเดียวละ่ะนี่แหละอันนี้ก็คือถือว่าเป็นวันสาคัญยิ่ง ที่จะถึงคือวันพรุ่งนี้นะแต่ตามไม่จริงวันทุกวันก็สำคัญด้วยการทั้งหมดนั่นแนะแต่วันนี้เป็นวันพิเศษวันไหนกดถือว่าทำไมจึงว่าเป็นวันสำคัญเพราะวันไหนทำดีก็ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอย่างเก่าไม่ใช่ว่าจะทำแต่วันวิสาขาบูชาจะได้ดีไม่ใช่เรียกว่า ถึงวันวิสาขาบูชาแล้วจับไฟไม่ร้อนไม่ใช่วันวิสาขาบูชาก็จับไฟร้อนวันธรรมดาก็จับไฟร้อนจับน้าแข็งเย็นเหมือนทุกวันแต่ว่าทำไมเราจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญก็เพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นวันหนึ่งจึงถือว่าเป็นวันสำคัญแต่คุณงามความดีความดีสวนลึกแล้วนะั้นเหมือนกัน ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหมือนกันถ้าทำวันพิสาคาบูชาก็ชั่วอย่างเก่าเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะาาาทัตไทยญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจะตายแล้วไม่ศูนย์นะตายแล้วเกิดนะ เ, เราเตรียมตัวเตรียมใจอะไรไว้บังก่อนที่จะถึงวันนั้นกูบาอาจารย์เห็นไหมเมื่อคือนกัไปเทศใ้งาน หลวงพ่อคูณสุเมธโธหลวงปู่คูณอายุก็แก่กว่าหลวงพ่อเพียงปีเดียวนะแต่พัรษาท่านอ่อนกว่าท่านบวชทีหลังหลวงพ่ออายุก็จะเข้าเจ็ดสิบเท่านั้นเอง<ม>หลวงพ่อกันเหกสิบเก้าเลได้ปีนี้คณ ะ, ะสัตยาญาติโยมลูกหลานนั่นแหละก่อนที่จะตายเนีเราได้เตรียมอะไรไว้บ้างได้ถามดูตัวเองสิว่าเมื่อก่อนที่เราจะตายเนะ่ ก่อนที่จะหมดชีวิตเนี่ยเราได้ทําคุณงามความดีได้สร้างบุญกุศลอะไรไว้บ้างแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างบุญกุศลก็ตายและศูญ น, นะตายและศูนยญใครเป็นคนพูดพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนาท่านไม่ได้พูดนะมีแต่เราพูดเองเราพูดเองมันถูกไหมล่ะเรียกว่าโกหกตัวเองเรียกว่าอ คล้ายๆกับว่าไม่อยากจะคิดก็เลยตัดสํานวนตัวเองไม่อยากจะคิดเราตายและวสุดอย่างงั้นใช่ไหมถ้ามันคิดถูกอย่างนั้นทุกครั้งถา้าเราคิดถูกอย่างนั้นทุกครั้งเราก็ลองคิดๆ ด, ดูสิเออเข้าไปเจ้าใจเสื้อหวยซื้อลอตเตอรี่คราวนี่เออถ้ามันโชกทุกครั้งเราก็คงจะเป็นเศรษฐีเพราะถูกรางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งฮะอันนี้เราซื้อผิดเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ เพราะนั้นเราจะไปเชื่อว่าความคิดของเรานี่ยจะเป็นจะถูกทุกอย่างเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาไว้พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะเจ้าอยากจะรู้เจ้าต้องภาวนาทําจิตใจให้สงบใจคืออะไรต้องศึกษานี่ถ้าเราไม่ศึกษาเราจะรู้ได้ยังไงวิชาในโลกนี้มีตั้งเยอะแยะเราจะรู้วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาห่วยๆอย่างนั้นเหรอ มันไม่ใช่หวยนะเข้าไปแล้วไม่ใช่ธรรมดานะวิชาของพระพุทธศาสน า, านะเป็นวิชาที่ลึกซึ้งนะเป็นที่วิชาที่ลื้พบรือชาติเป็นวิชาที่จะตัดพบตัดชาตินะวิชาของพระพุทธศาสน า, ศาไม่ใช่วิชาใครๆจะเรียนรู้ได้ไง่ายๆเพราะนั้นถ้าว่าใครเรียนรู้แล้วจะซึ้งในใจไม่ต้องถามใครอย่างที่ว่าตายแล้วเกิดด้ตายแล้วสูญอย่างนี้แหละไม่ต้องถามใคร ถ้าเรียนรู้แล้วโอ้ใช่เมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วใจกับกายกับใจใจกับกายเนี่ยเหมือนกับรถกับคนขับรถเนี่ยอย่างหลวงพ่อเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีกของคนขับรถเนี่ยคือใจร่างกายนะเหมือนกับรถนะแเมื่อรถพังลงไปรถหมดอายุนะใจตรงนี้ก็ออกจากร่างใจตรงนี้ไม่ไม่แก่ไม่เท่าเหมือนร่างกายใจนี้เป็นหนุ่มอยู่เสมอเห็นไหม พวกเราท่านทั้งหลายสมัยเป็นเด็กเราก็เป็นอย่างเนี้ย <Yeah. S 1> ถ้า อ, าอายุถึง60 70เข้าไปแล้วใจยังคึกขนองอยู่ใจยังกระโดดโลรเต้นอยู่นะียใจมันไม่เท่าใจมันไม่แก่ใจของมันน่ยมันส่งตัวมันคึกขนองอยู่ตลอดแต่ร่างกายเท่านั้นเองมันแก่มันเท่าเหมือนกับโชเฟอร์ขับรถใช้ไปนานใช้ใช้ใช้ใช้ไ ป, นนนไปแต่โชเฟอร์มีแต่เยียบอย่างเดียว hey, อยากจะให้รถมันวิ่ง แต่ที่ไหนได้มันรถมันแก่แล้วใช่ไมันกวกกับควักคือคักเท่าเยียบแรงแรงเข้าไปขนได้ท่าโซโฟเฟอร์โง่เลยางหลุดเลยใช่ไหมสายพานหลุดเมันเป็นไปได้ทั้งหมดตัวถังหล่นไปเรื่อยเลยใช่ไหมเพราะอะไรพรรถมันแก่ใช้มานานแต่โซฟเฟอร์ถ้าโซฟเฟอร์ใช้ด้วยความประหยัดเออรถเราใช้มานานเราต้องใช้ด้วยความทะนุถนอมใช้ด้วยความระมัดระวัง โชเฟอร์นั้ก็ค่อยขับรถไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่กระโดดรถเต้นนี่แหละแต่โซเฟอร์นะั่นรู้ว่ารถของเราเป็นยังไงถ้าโซเฟอร์ฉลาดนะถ้าโซเฟอร์โง่ก็ย่างว่าเหมือนกันนะั่นขับรถตะพัดตะผืออันนี้ก็เหมือนกันนะใจของเราอยู่ในร่างกายนะใจของเรามองถ้าร่างกายจะใช้ได้ระดับไหนเราก็ต้อง ใช้กายในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าผู้ไม่รู้จักประมาณตนกันอย่างวาเหมือนกันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะให้สํานึกเอาไว้กายกับใจอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันเดียวกันตายแล้วไม่สูญพูดอย่างนั้นได้นะให้ศึกษาให้พิสูจน์ตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่เขาหลวงปู่ฟันท่านพิสูจน์มาแล้ว ท่านยืนยันมาแล้วตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกอย่มาถามหลงวงพ่ออิกมาถามเถอะถ้ามาถามหลงวงพ่อจับให้นั่งภาวนาเลยเอาสักสามวันสามคืนจะรู้ได้ว่ากายกับใจเป็นยังไงฮะจะรู้ได้ไม่ต้องถามใคร้าเมื่อจิตสงบแล้วถ้าเมื่อจิตยังไม่สงบยังยังสงสัยโลกนี้มีความสงสัยถึงเยอะแยะพราะนั้นจะไปเชื่อตัวเองจนเกินไปถ้าเชื่อตัวเองทุกอย่างเอา เราจะไม่จนถึงขนาดนี้หรอกรวยมดทุกอย่างเพราะตัวเองคิดอะไรคิดแต่มี่จะได้อย่างเดียวฮนะแต่มันไม่ได้อย่างที่ใจคิดนะอันนี้ก็เหมือนกันนะัะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างที่ตัวเองคิดตายแล้วศูญกับศูนย์อย่างที่ว่าอแต่มันเกิดล่ะแต่พวกทายาทตายแล้วเกิดบนะัดนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะที่ย้ำจุดนี้บ่อยๆก็เพราะว่าถ้าคนว่าตายแล้วสูญนะมันจะไม่ทําความชั่วปล่อยปะละเลย ไม่ได้สนใจคุณงามความดีถ้าเห็นคนประกอบคุณงามความดีหัวเราะเขาอีกตัวเองหัวเราะแห่ๆเขาอีกทูถูกเขาอีกฮโง่ไม่ไหวแต่ตัวเองโง่ไม่ได้คิดนะตัวเองโง่ไม่ได้คิดแต่ว่าคนอื่นโง่ฮอแต่นู่นล่ะพอตายไปแล้วนะ่ยหากับเงินติดกระเป๋าไม่มีเดินพกวเกเพกเวกเป็นเปรตเป็นผีอะไรท่านั้นแนหะจึงรู้จักว่าตัวเองโง่แล้ฮ่ามันเกินกว่าที่จะ